พระพุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้พุทธแปลว่าผู้รู้ศาสนาก็คือคำสั่งคำสอนพุทธศาสนาคือคำสั่งคำสอนของผู้รู้ผู้รู้คือพระพุทธเจ้าผู้ตัดสู้ความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถ รู้ได้ด้วยตนเองต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือระดับพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระโ พ, ะพธิสัตว์มาก่อนโ พ, พธิสัตว์ก็คือผู้ที่อุทิศชีวิตให้แก่การสร้างบุญบารมีต่างๆ ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะสะสมแต่คุณงามความดีเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกัมมะบารมี อ, อุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเช่นญาโยมที่ ไปวัดกันอยู่เรื่อยๆนี้จะถือว่าเริ่มเป็นโพธิสัตว์ก็ได้คือผู้ที่ใฝ่แต่คุณงามความดีต่างๆที่ไหนขามีบวชกันก็ไปบวชกับเขาที่ไหนมีการทำบุญทำทานก็ไปทำกับเขาที่ไหนมีการฝึกสมาธิก็ไปฝึกกับเขาที่ไหนมีการแสดงธรรม มีการฟังเทศฟังธรรมก็ไปกับเขาไปอยู่เรื่อยๆไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ไปเที่ยวไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายจะขออุทิศชีวิตให้กับการสะสมบุญบารามีต่างๆอันนี้แหละเรียกว่าโพธิสัตว์จะเป็นโพธิสัตว์ ก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้คือบารมีสิบประการด้วยกันในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครมาสอนมาบอกให้สร้างบุญบารมีกันผู้ที่สร้างบุญบารมี โดยที่ไม่มีใครบอกใครสอนนี่แหละเรียกว่าเป็นพวกโพธิสัตว์นะเป็นพวกที่มีความฉลาดที่เห็นคุณค่าของบุญบา ร, รมีต่างๆเลยไม่สนใจกับการที่จะไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆในโลกนี้เช่นลาบยศสัจเสริญ ความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายจะไม่สนใจจะสนใจแต่เรื่องทำบุญทำทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนี่คือลักษณะของโพธิสัตว์ ผู้ฝ่ายบุญบารมีต่างๆในยุคที่ไม่มีใครสั่งใครสอนทำไปด้วยความรู้สึกในตนเองเพราะการได้ทำคุณงามความดีมันให้ความสุขแก่จิตใจของผู้ที่กระทำคุณงามความดีต่างๆนั่นเองจึงไม่เดือดร้อน เวลาที่ไม่ได้ไปหาความสุขเหมือนกับคนอื่นหากันคือหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกลด็ดรถผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆนี่คือเรื่องของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องอุทิศชีวิตทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบุญบารมีไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มปริมาณของบุญบารมีไปเรื่อยๆจนเป็นสิ่งที่แบลกไม่เหมือนคนธรรมดาทำบุญทำทานก็ทำแบบสุดๆอย่างพระเวชสันดรทำอะไรไม่เหมือนคนธรรมดาทำกัน คนธรรมดาก็ทำบุญทาทานพอหอมปากหอมคอแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่จะทำแบบยกครัวมีอะไรขนไปขนไปหมดนี่คือเรื่องของการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกได้ แต่ละครั้งต้องอาศัยพระโพธิสัตว์คอยทุ่มเทอุทิศชีวิต จ, จิตใจให้กับการสะสมบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆซึ่งถ้าเราศึกษาเราก็จะได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาตินี้ก็คือพระโพธิสัตว์ ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติได้ส่งบําเพ็ญบารมีตามโอกาสตามเหตุการณ์บางชาติก็มีโอกาสมีเหตุการณ์เพื่อให้สร้างทานบารมีก็จะสร้างทานรำบารมีเช่นได้เกิดเป็นผู้มีฐานะมังคั่ ง, งมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมากมาย ก็จะทุ่มเทให้กับการสร้างทานบารมีบางครั้งก็ไปเกิดอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะเอาตัวรอดเช่นพระมหาชนกก็มีความเพียรว่ายน้ำในทะเลไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมตาบใดมีกำลังที่จะไหวก็จะไหวไปนี่คือลักษณะของผู้ที่บำเพ็ญบรารมีเพื่อที่จะได้มาตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้หรือความรู้ก็คือความรู้ ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้นั่นเองความรู้ที่จะทำให้ผู้รู้นี้สามารถดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง ผู้ที่ไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกย่อมมีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายตายแล้วก็ยังมีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่มี ความรู้คือปัญญาที่เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันพระพุทธเจ้านี้จะตัดสั้นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์และเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาความอยากต่างๆได้แก่ การมตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลพระภาวะตัญหาความอยากได้ลาบยศสรรเสริญวิภาวะตัญหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญและชีวิตคือร่างกายไปจึงทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดการเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เพราะต้องมีร่างกายในการที่จะตอบสนองตันหาความอยากต่างๆได้อยากจะดูก็ต้องมีตาอยากจะฟังก็ต้องมีหูอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิน่นก็ต้องมีจมูกมีลิ้นอยากจะสัมผัสกับสิ่งผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายจึงพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ และส่งคนพบว่าความทุกนี้สามารถดับได้และวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือการเจริญธรรมที่มีอยู่ในใจให้ปรากฏขึ้นมาคือเจริญทานศีลภาวนาเจริญบุญกุศลต่างๆ ที่พระโพธิสัตว์ได้เคยเจริญมาในอดีตพอมีบุญกุศลที่ได้เจริญไว้พร้อมครบองค์ก็สามารถที่จะดับความทุกข์หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการละความอยากทั้งสามเมื่อความอยากทั้งสามได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตาย การดับของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็หายไปหมดมนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะตัดซาลจะค้นพบก็คืออริยสัจ ส, สพระอริยสัจ ส, สิความจริงที่ประเสริฐสี่ประการด้วยกันซึ่งเป็นความจริงอมตะ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดสรลูก็จะมาตัดสรลูพระอริยสั์สีนี้ทั้งนั้นพระอริยสั์สีนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่มีผู้ที่ฉลาดที่จะเห็นได้ด้วยตนเองนอกจากพระโพธิสัตว์ผู้ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคโชน จนครบเต็มร้อยพอครบเต็มร้อยก็สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจ ส, สีที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกได้ถ้าบุญบารมียังไม่ครบเต็มร้อยนี้ยังไม่สามารถมองเห็นได้มองไม่สามารถมองทะลุม่านหมอกของโมหะอวิชชาที่ปิดกัน้นความจริงอันนี้ ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทุกๆชนิดนแต่สัตว์โลกทุกๆชนิดไม่สามารถมองเห็นความจริงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆชนิดได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีความสามารถที่จะมองทะลุผ่านม่านหมอกของโมหะอวิชชาที่ครอบงําจิตใจนั่นเอง นี่คือที่มาของพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์ผู้ที่เพียรพยายามสร้างบุญสร้างบารมีต่างๆไม่ว่าจะมาเกิดในพบไหนชาติไหนจะพยายามพยายามสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายหลายอย่างควบคู่กันไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่โอกาสที่จะ ทำที่จะเอื้อต่อการสร้างบุญบรารมีแต่จะไม่สนใจกับการที่จะไปหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปเป็นมหาจักรพรรดิทั้งๆ ท, ที่มี โหราอาจาย์ได้พยากรณ์ไว้ว่าถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าได้ออกบวชก็จะได้เป็นพระบร ม, มศาสดานี่เป็นบรารมีเหตุักดันให้พระพุทธเจ้าออกบวชไม่ได้อยู่เป็นกษัตริย์ไม่ได้อยู่เป็นมหาจากักรพรรดิเพราะบุญบรารมีเก่าที่ได้สร้างไว้ มันจะคอยผลักดันให้ไปสู่การบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีพระโหราจาร์อยู่รูปหนึ่งพยากรณ์ไว้ว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวโหราจารย์รูปอื่นมองเห็นลักษณะแล้วก็บอกว่ามีทางไปได้สองทางถ้าอยู่ครองเลอนอยู่ครองลาชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันตส์สมมาสัมพุทธเจ้านี่คือนิสัยของพระพระโพธิสัตว์ท่านจะเลือกไปในทางของบุญบารมีท่านจะไม่ไปในทางเรื่องของทางโลกเรื่องของราบยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอะเราลองเปรียบเทียบดูกับ บรรดากษัตริย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่ไปบวชไม่มีเพราะว่ากษัตริย์เหล่านี้เขาไม่ได้เป็นโพธิสัตว์นั่นเองถ้ามีกษัตริย์องค์ไหนสะละราชสมบัติลาไปบวชนั้นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะเราจะรู้ว่าเขานี่แหละเป็นโพธิสัตว์ แต่ถ้าอยู่ถ้ามาเกิดในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าที่มีในยุคที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาความจริงด้วยตนเองเพราะมีคำสอนของผู้รู้คือพระพุทธเจ้ามาบอกไว้แล้วพระโพธิสัตว์เหล่านี้ก็เลย บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยการเป็นพระอาหารหันตสาวกแทนพระผู้ที่มาเกิดแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ภายในภพนิชาตินี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโพธิสัตว์ทั้งนั้นแต่เมื่อได้มาเจออริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าได ได้ส่งคนพบก็เลยไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาเองเพราะว่าเป้าหมายเป็นอันเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายก็คือต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในเมื่อมีมีแผนที่บอกวิธีให้หลุดพ้นจากความทุกข์บอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็เลยไม่ต้องไปค้นหาด้วยตนเองเดินตามแผนที่ไปง่ายกว่าถ้าไม่มีแผนที่ก็ต้องค้นหาด้วยตนเองพวกนี้เขาจะไม่ไปหาลาบยศจารเสริญเพราะเขารู้ว่ามันเป็นทุกข์น่ะการมีลาบยศจารเสริญการมีรูปเสียงกิตโตตโพธะนิเราบรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายนี้จะรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือเสื่อมไปหรือเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ดังนั้นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์นี้จะไม่ไปหาลาบยศสารเสริญจะไม่ไปหารูปเสียงเกียรติลดจะไปแสวงหา ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ามาเกิดในยุคที่มีแผนที่อยู่แล้วมีผู้นำทางอยู่แล้วก็เลยจะติดตามผู้นำทางไปทันที เ, นเมื่อมีคนรู้ทางบอกว่ามาทางนี้คุณต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมมาทางนีน้พระพุทธเจ้านี่เป็นคนนาทางเป็นคนบอกทางเป็นคนเพยเขียนแผนที่ หลังจากที่ตายไปแล้วก็เขียนแผนที่ทิ้งเอาไว้ว่าถึงแม้เราจะตายจากพวกเธอไปพวกเธอยังสามารถเอาแผนที่ที่เราเขียนไวน้นี้เอาไปใช้ในการที่จะพาให้พวกเธอหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยพวกที่มุ่งหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็สามารถที่จะนำเอาแผนที่ไป เป็นเครื่องนําทางได้แล้วก็ไปหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ mm. เนี่ยี่ยบรรดาพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยที่ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันนี้ mm. ก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยกันทั้งนั้น mm. ถ้าไม่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาพ mm. mm. วกที่ไม่เข้าหาศาสนาพุทธเนี่ยถือไม่ถือว่าเป็นโพธิสัตว์เนี่ย จะเป็นพวกที่จะไปหาลาบยศจารเสนกันเห็นหมหาเงินหาทองกันเป็นบ้าเป็นบอหาเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านกันโดยที่ไม่เห็นเลยว่ากำลังหาความทุกข์กันเนี่ยนี่คือความมืดบอดของผู้ที่ไปแสวงหาลาบยศสารเสญไม่รู้ว่ากำลังไปเอากองทุกข์เข้ามาใส่ในหัวใจ ยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นแต่ผู้ที่ฉลาดคือพุ้พระโพธิสัตว์นี้จะรู้โพธิสัตว์ทั้งหลายนี้จะไม่ไปหาลาภยศสรรเสริญจะไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผธพะจะไปหาแต่บุญบารามีต่างๆเช่นเมตตาบารามีทานบารามีศรลบารามีเนิ่งกรรมบารามี อุเบขาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีนี่คือคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์คือผู้แสวงผู้ที่เข้าหาแต่บุญบารมีผู้ที่ไม่สนใจกับการหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเพระชนิดต่างๆพอได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะเหมือนปลาได้น้าเลยพอปลานี้ไปเจอน้านี่มันจะกระโดดลงน้ำว่ายน้าอย่างสนุกสนานผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่จะเข้าหาทันที บวชได้ก็บวชทันทีบางคนบวชตั้งแต่เป็นเด็กนหลวงปู่มั่นนี่ก็คอยบวชตั้งแต่บวชเนนมาก่อนแต่ต้องศึกออกไปเพราะทางบ้านต้องการคนช่วยทำนาก็เลยต้องศึกออกไปแต่ศึกไปไม่นานก็กลับมาบวชเป็นพระต่อสมเด็จทายานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนี่องค์ที่สิบเก้าที่ผ่านมา ก็บวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็อยู่มาในเพศของนักบวชจนถึงวันวาราสุดท้ายของชีวิตนี่แหละคือพระโพธิสัตว์ผู้ที่แสวงหาแต่บุญบารมีสังวาตหาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จะหยุดแสวงหาก็ต่อเมื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเท่านั้น ได้เป็นผ้าอหารหันเทานั้นถึงจะหยุดการสแสวงหาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยิงมักจะพูดอุทานออกมาเหมือนกันว่าวุสิตังบรมจรีย์หรือยงกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว กิจอื่นที่เหนือกว่ากิดนี้ไม่มีอีกแล้วออผู้ที่ได้ทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไปจากใจแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้ว เ, ออเพราะไม่มีกิจอะไรที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากกิจในอริยสัจสี่เมื่อสามารถทำกิจในอริยสัจสี่ได้สมบูรณ์แล้ว ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทํากิจอะไรอีกต่อไปเพราะกิจอื่นๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นกิจเพื่อดับความทุกขนะ์แต่มันเป็นกิจเพื่อสร้างความทุกขนะ์ถ้าไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้อันนี้ไม่ได้ไปหาความสุขนะไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะ ความสุขที่หานั้นมันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดดีๆนี่ได้ความสุขนิดเดียวเวลาได้หุบเหยื่อแล้วก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะได้ความสุขเดียวๆแต่จะได้ความทุกข์ที่จะพาให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อเมื่อหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดแล้วมันก็จะติดเหมือนคนติดยาเสพติดนั่นเอง <c oughs> คนติดยาเสพติดนี้ถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้จะต้องติดไปเรื่อยๆอ <c oughs> คนที่เมื่อติดกับการหาลาบยศสารเสริญห า, หารูปเสียงกลิ่นลดผดถ่าแล้วก็จะต้องหาไปเรื่อยๆอ ร่างกายนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะกันใหม่นี่นี่ก็จะหาไปเรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางในการดำเนินชีวิต ตาไปเปลี่ยนทิศทางดำเนินชีวิตจากการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิ่นยลดไปสู่การหาบุญบารมีเราจะเปลี่ยนอย่างไรถ้าเคยหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาแต่รูปเสียงกิ่นยลดโพธภพก็ต้องรอโอกาสหรือรอเหตุการณ์เวลาไปเกิดในยุคในสมัยที่ไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญ สุดได้เช่นอาจจะไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่ไม่หาลาบยศสรเสริไม่หารูปเสียงกลิ่นรสหาแต่บุญบารมีก็จะถูกหล่อล้อมในขณะที่เป็นเด็กให้ไปหาบุญบารมีพ่อแม่เข้าวัดก็ติดตามพ่อแม่เข้าวัดไปก็อาจจะได้สะสมบุญบารมีขึ้นมา เปลี่ยนทิศทางจากการที่เคยไปห า, าลาภยศสรรเสริญก็อาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นการหาลาภหาบุญบารมีแทนอันนี้ก็แล้วแต่พอโตขึ้นแล้วยังจะทําตามพ่อแม่ได้หรือเปล่าบางคนตอนที่เป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่พาเข้าวัดก็พับปลามามาเข้าวัดกับพ่อแม่ แต่พอโตเป็นตัวของตนเองได้แล้วพ่อแม่เข้าวัดลูกก็ไปเข้าบาถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าบุญบา ร, รมีที่พ่อแม่หล่อหลอมให้นี้มีกำลังไม่มากพอสู้กำลังของความอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้อันนี้ ก็อย่างที่เมื่อกี้ญาติโยมที่บอกว่ามาจากพัทยาใต้ท่านบอกว่าท่านทําบุญทําทานอันนี้ก็แสดงว่าสมัยที่เป็นเด็กพ่อแม่อาจจะหล่อล้อมนิสัยให้ชอบทําบุญทําทานถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมนี้เขาจะไม่แสวงหากันเพราะมีบามีเบีมีพระมีบามีผับนี่มากกว่าวัดไม่รู้กี่ กี่ร้อยเท่าในพัทยาใต้เนี่ยพัทยาใต้มีวัดอยู่วัดเดียวแต่มีบามีมีบาเบียไม่รู้กี่ร้อยบาเบียรแต่ก็ยังเดินเข้าวัดได้อก็แสดงว่ามีบุญบา ร, รมีเก่าหรือมีความผูกพันกับบุญบา ร, รมีแต่จะมีสักกี่คนลองไปสํารวจดูที่พัทยาใต้ว่าคนที่อยู่พัทยาใต้นี้เอ่ คนที่ไปพัทยตาต้นี้ไปที่วัดหรือไปที่บาร์เบียนี้มากกว่ากันอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นว่าจิตใจของคนเรานี้ไม่เหมือนกันแสงละแสวงหาความสุขแตกต่างกันบางคนถึงแม้จะอยู่ข้างบาร์หรือหรือครอบครัวทำอาชีพเปิดบาร์แต่ ตัวเองก็อาจจะไปบวชก็ได้หรือจะไปเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรมก็ได้อันนี้บางทีสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจได้ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าจิตใจนั้นได้มีความาผูกพันกับสิ่งที่เคยทำมาม า, มากน้อยเพียงไร ถ้ามีความผูกพันมากับบุญบา ร, รมีถึงแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ไม่ไม่ส่งเสริมให้ไปหาบุญบา ร, รมีแต่ก็ยังไปได้ด้วยตนเองเพราะว่ามีความผูกพันกับบุญบา ร, รมีมากถึงแม้อยู่ที่นั่นไม่มีที่ทำบุญก็ไปหาที่อื่นทำบุญได้ อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มาเกิดในในครอบครัวที่ไม่เหมือนกันบางทีก็ไปเกิดในครอบครัวที่ฝ่บุญใฝ่กุศลก็จะมีมีการหล่อหลอมจิตใจให้ฝ่บุญใฝ่กุศล ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ไฝ่บุญไฝ่กุศลก็จะไม่มีอะไรมาหล่อลลอมจิตใจให้ไฝ่บุญไฝ่กุศลถ้าไปมีอยู่ในครอบครัวที่แสวงหาแต่ลาบยศสรรเสริญแสวงหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะถูกครอบครัวนั้นหล่อลลอมให้ไปทำตามครอบครัวนั้น นี่เป็นช่วงหักเหอของชีวิตในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นช่วงที่มีโอกาสหักเหจากการไปทางใดทางหนึ่งให้ไปอีกทางใดทางหนึ่งได้ยกเว้นพวกที่มีความผูกพันกับทางใดทางหนึ่งอย่างถอนไม่ออกแล้วเท่านั้นเนี่ยถึงจะหะไม่มีอะไรที่จะมา อ่หันเหการเปลี่ยนทิศทางของเขาได้เช่นครอบครัวนี้อาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางที่เขาจะไปได้อย่างพระพุทธเจ้าเอมาเกิดในตร ะ, ะกูลของกษัตริย์ตามธรรมเนียมก็ต้องอยู่ต่อเพื่อเสพราชสมบัติเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแต่ความผูกพันต่อการ บำเป็นบุญบารมีนี้มันมีความแก่กล้ามากจนสิ่งแวดล้อมของครอบครัวนี้ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรังเอาไว้ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าได้สร้างได้สะสมบุญบารมีไปถึงขีดหนึ่งแล้วมันจะไม่มีวันเปลี่ยนละ มันจะมีแต่จะไปทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แต่ละครั้งต้องอาศัยคนอย่างพระโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นผู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่พระโพธิสัตว์เองนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ยังไม่ได้เป็นพระ อ, อริยะบุคคลถ้าไปกราบว่าบูชาไปหวังพึ่งอะไรจากพระโพธิสัตว์ก็ยังพึ่งอะไรไม่ได้มากเหมือนพวกปัญจวคีที่หวังพึ่งพระสัมมาณโคดมบางที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ส่งทดลองอดอาหารสี่สิบเก้าวันด้วยกันก็ยังเห็นว่ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยคิดจะเปลี่ยนวิธีใหม่พอเปลี่ยนวิธีใหม่พ ร, พระปัญจวคีผู้ที่หวังจะพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้พาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยเสื่อมศรัท ธ, ธาไม่เชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือสา ม, มัญโคโดมนี้จะสามารถพาให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เขาก็เลยหนีจากไปการที่เราถ้าใครยังไปหลงไหลกราบไหว้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี้แสดงว่าไปกราบผิดที่เพราะตอนนี้มีพระพุทธเจ้าให้กราบมีพระอริยสงสาวกให้กราบ มีผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพน้นเป็นที่พึ่งแต่ถ้าไปพึ่งพระโพธิสัตว์เช่นเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นต้นก็แสดงว่าไปเลือกที่พึ่งผิดที่ถ้าไปซื้อประกันก็ไปซื้อประกันจากบริษัทที่จะเแจงเดี๋ยวเวลาจะเคลมประกันจะไม่ได้จะไม่ได้เงินอย่างปัญจวัคคี พอจะเคลมค่าประกันก็ไม่มีให้เคลมเพราะยังไม่ได้หลุดพ้นจ า, ากความทุกข์ถ้าไปนับถือพระโพธิสัตว์ไปติดตามพระโพธิสัตว์ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องไปติดตามพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือพระธรรมคําสั่งคําสอน ทีมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคําสั่งคําสอนของพอระอาลัยสงศะวงศ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้มีแผนที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราจะสามารถศึกษาจากท่านได้และสามารถใช้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไปกราบไหว้พระ จ้าแม่กวนอิมไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี้ก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างชาวจีนนี่กราบไหว้เทวดากราบไหว้เซียนต่างๆเซียนต่างๆเหล่านี้จะเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักอริยสัจสี่ลองไปศึกษาจากเซียนเหล่านี้ดูว่าเขาสอนอริยสัจสี่หรือเปล่า เราไปศึกษาจากพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าเขาสอนเรื่องอริยสัจสีหรือเปล่าถ้าไปศึกษาจากพระโ พ, พธิสัตว์เขาก็จะสอนเรื่องบารมีต่างๆนั่นนี่ให้ทําทานบารมีให้รักษาศีลบารมีให้เจริญเมตตาบารมีแต่เขาไม่มีปัญญาบารมีเขาไม่รู้จากอริยรสัจสี่ว่าเป็นอย่างไร เขาไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหตุที่มาให้มาเกิดเป็นอะไรและการที่จะทําให้ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายไม่มาทุกข์นี้ต้องทําอะไรอย่างไรนี้เขาไม่รู้นะครับถ้าไปนับถือบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ครับ แต่ถ้าไปถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านรับประกันเวลามีประกันติดไว้เลยว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าจ่ายเงินค่าประกันครบรับรองได้ว่า เวลาที่มีอุบัติเหตุจะชดเชยให้ได้เต็มร้อยเลยอย่างแน่นอนภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีต้องได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ขอให้จ่ายเบีย้ยประกันให้ครบทนั้นเองอาการจ่ายเบีย้ยประกันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนอย่างเต็มที่นั่นเอง ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีคือถ้าเป็นนักเรียนก็สี่จุดไปโรงเรียนทุกวันถ้าจ่ายเบี้ยรประกันก็ไม่ขาดจ่ายครบเอแล้วชอบก็คือจ่ายเต็มร้อยไม่ใช่ขอกักไว้จ่ายแค่ห้าสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างแปดสิบบ้างวันนี้เงินไม่พอขอขอจ่ายผ่อนไปก่อนบ้างอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บ, บ, ต, บ, ต, ชอบต้องปฏิบัติเต็มร้อยทานก็ทำให้เต็มร้อยทุกครั้งที่จะเอาเงินไปใช้กับกิลเลสก็เอาไปทำบุญให้หมดเนี่เช่นจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ไปทำบุญให้หมดถ้ากระเป๋าใบเก่ายังใช้ได้อยู่ แต่ถ้าไม่มีกระเป๋าใช้เลยนี่ไปซื้อใบใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้เงินกับกิเลสก็ไปใช้ได้เพราะมันเป็นความจาเป็นถ้าขาดแคลนอะไรต้องมีถ้าต้องซื้ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการใช้เงินเพื่อกิเลสใช้เงินตามความอยากแต่ถ้ามีของอยู่แล้วแต่ยังอยากได้ของใหม่อยู่ทั้งทั้งที่ของเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ อย่างนี้นเอาเงินที่จะไปซื้อของใหม่นี้เอาไปทําบุญให้หมดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำทานเต็มร้อยทุกครั้งที่มีเงินจะไปเที่ยวกันนี้ก็เอาไปทําบุญให้หมดทุกครั้งที่จะไปหาความสุขจากการใช้เงินนี่เอาไปทําบุญให้หมดเพราะการทาบุญนี้ก็ได้ความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจากการไปเที่ยว จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันเป็นเหมือนซื้ออาหารไม่เหมือนกับการไปเที่ยวซื้อของตามความอยากนี่เหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมันก็เป็นความสุขเหมือนกันสองแบบแต่ความสุขจากยาเสพติดมันเป็นความสุขที่ทาให้หิวอยู่เรื่อยทาให้อยากอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขจากการซื้ออาหารนี่มันทาให้อิ่มมันไม่หิว กินอาหารปั๊บนี้มันอิ่มไปหลายชั่วโมงเสพยาเข้าไปปั๊บเดียวเดียวหิวอีกแล้วเดี๋ยวต้องเสพอีกแล้วนี่คือเรื่องของการาจ่ายเบี้ยประกันให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือต้องปฏิบัติให้เต็มร้อยทานต้องทำแบบนี้ทุกครั้งที่จะเอาเงินไปเลี้ยงกิเลสตัณหา ให้ออาไปเลี้ยงจิตใจด้วยการทำบุญทำทานทำที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับลูกกับหลานก็ได้ทำกับใครก็ได้แต่อย่าทำกับกิเลสตัณหาก็แล้วกันทำเพื่อให้กิเลสตัณหามันมันหดตัวลงมันไม่ตายแต่มันหดตัวลงถ้ากิเลสตัณหาเป็นต้นไม้ การทำบุญทำทานก็เหมือนกับการไปตัดใบไม้มันถ้าต้นไม้ไม่มีใบไม้มันจะโตไม่ได้หรอกทุกครั้งที่ใบไม้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ตัดมันออกไปตัดมันออกไปเหมือนเรียกว่าบอนไซมันมันก็จะโตไม่ได้ต้นไม้มันจะโตได้เพราะใบไม้เพราะใบไม้เป็นที่รับแสงแดดรับอาหารมามาผสมกับดินกับน้ำมันถึงจะโตขึ้นมาได้ ถ้าเราคอยตัดใบไม้อยู่เรื่อยๆกิเลสตัณหามันก็จะโตขึ้นมาไม่ได้แต่มันไม่ตายการที่จะทำให้มันตายนี้ต้องไปปฏิบัติทำขั้นที่สองคือศีลรักษาศีลการรักษาศีลก็เหมือนกับปเป็นการไปตัดกิ่งก้านของต้นไม้ ยิ่งทำให้ต้นไม้นี่โตยากขึ้นตัดใบไม่กี่วันเดี๋ยวมันใบใหม่มันก็งอกขึ้นมาได้แต่ถ้าตัดกิ่งนี่มันต้องใช้เวลานานหน่อยกว่ากิ่งมันจะงอกขึ้นมาได้ต้องไปรักษาสีหน้าเพื่อตัดกิเลสตัณหาตัวที่จะมาฉุดใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายตัวที่จะมาสร้างให้เกิดความทุกข์กับใจ รักษาศีลก็เหมือนกับการตัดขิ่งของต้นไม้นั่งสมาธิก็เหมือนกับการตัดต้นไม้เลยน้มมันไปทั้งต้นขนาดตัดต้นไม้แล้วมันก็ยังไม่ตายทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะมันยังมีรากอยู่ในดินนะต้องไปขั้นที่สี่คือขั้นปัญญาเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาออกจากใจเท่านั้น กิเลสตัณหาเหมือนถึงจะตถึงจะตายหมดเมื่อกิเลสตัณหาตายหมดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดสิ้นไปไม่สามารถจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้อีกต่อไปอนี่แหละคือเบีย้ยประกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าอยากจ ะ, ะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธศาสนา คือถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต้องจ่ายเบีย้ยประกันให้ครบทำทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยขั้นต้นก็ให้รักษาศีลห้าให้ใหได้ทุกวันให้เป็นนิจจศีลแล้วก็มาเพิ่มรักษาศีลแปดในวันพระแล้วขยายจากวันพระไปเป็นวันโกนวันหลังวันพระ เ พ, เ, เ, เ, เ, เพิ่มไปเรื่อยๆจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสามวันจากสามวันเป็นห้าวันจากห้าวันเป็นเจ็ดวันนี้รักษาศีลแปดไปเพิ่มไปเรื่อยๆจนสามารถรักษาได้ทุกวันเมื่อรักษาศีลแปดได้ทุกวันก็จะมีเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปพิจารณาอริยสัจ ส, สีพิจารณา ได้รักได้จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากตันหาความอยากต่างๆได้ถ้ามีสมาธิก็จะมีกำลังที่จะหยุดตันหาความอยากได้เวลาอยากได้อะไรปั๊บก็หยุดมันได้ทันทีไม่ทำตามความอยากทุกชนิดไม่ทำตามความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อันนี้เป็นขั้นตอนของการ จ่ายเบีย้ยประกันอย่างเต็มร้อยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่สามวันบ้างห้าวันบ้างเช่นบวชสิบห้าวันแล้วก็เสร็จอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้จ่ายเบีย้ยประกันเต็มร้อยจ่ายเป็นพักๆบางครั้งบางคราวอันนี้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองเต็มร้อย ได้รับคุ้มครองตามเบีย้ยประกันที่เราจ่ายจ่ายห้าสิบก็ได้ประกันได้รับคุ้มครองห้าสิบจ่ายร้อยก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มร้อยผู้ที่ต้องการได้รับการคุ้มครองเต็มร้อยก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันเต็มร้อยทาทานเต็มร้อยรักษาศีลเต็มร้อยฝึกสมาธิเต็มร้อยทาใจให้สงบได้ทุกเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นออกจากสมาธิมาก็รักษาให้มันสงบต่อไปได้เมื่อมันสงบทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมาขั้นต่อไปก็จะเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบมามาเป็นอาวุธไว้สำหรับถอดถอนกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นะ เมื่อถอดถอนกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะหายไปหมดและสามารถทําได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีถ้าตั้งใจทําเต็มที่แล้วสามารถบรรลุทำได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีออกบวชแล้วแสดงว่าทําทานหมดแล้วเงินทองไม่มีแล้วถ้ามีก็ไว้สําหรับจ่ายสิ่งที่จําเป็น ถ้าเป็นแม่ชีบางทีไม่บินตบาดไม่ได้ก็ต้องมีไว้ซื้ออาหารหรืออะไรอย่างนี้ใช้เงินแบบนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาใช้ตามความจำเป็นศีลก็ ร, รักษาได้ตลอดเวลาถ้าบวชแล้วไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วจะปฏิบัติสมาธิเดินจงกมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็ทำได้ พอได้สมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาต่อไปเดี๋ยวมันก็ได้ครบหมดได้ทานบวชปั๊บก็ได้ทานเต็มร้อยแล้วพอบวชแล้วรักษาศีลตลอดเวลาก็ได้ศีลเต็มร้อยแล้วพอฝึกสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ได้สมาธิตเต็มร้อยได้อัปปนาสมาธิจิตสงบอยู่ตลอดเวลาเป็นอุเบกขาตลอดเวลา พอได้สมาธิเต็มร้อยทีนี้ก็มาเจริญปัญญาให้เต็มร้อยพิจารณาอยู่เรื่อยๆอริยาาสัจสีพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลนี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยง เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราได้มามากได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดภากจากกันเวลาพัดภากจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพิจารณาอย่างนี้ไปปฏิบัติอย่างนี้ไปเดี๋ยวจิตก็จะถอดถอนกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้ พอหมดสิ้นไปแล้วก็จะอุทานขึ้นมาว่าวุสิตังบรมจาริยังกิจในพรมจารนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะไม่มีกิจอื่ น, นันใดที่จะมากําจัดความทุกข์ให้ได้มากไปกว่านี้มีกิจในบรมจาร์นี้เท่านั้นที่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อเมื่อไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาใจต่อไปเหมือ น, น่างกายไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บพอโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วหมอเขาก็บอกให้กลับบ้านได้แล้ว อยู่ไปก็เสียเงินเปล่ า, เ, ลาเสียที่เปล่ า, เ, ลาเอาที่ให้คนอื่นที่เขาต้องรักษาตัวให้เขาได้มาอยู่ดีกว่าคนที่หายแล้วก็ให้กลับบ้านไปได้คนที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกนี้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เหมือนกับตอนที่ท่านยังมีความทุกข์อยู่ ตอนที่ท่านมีความทุกข์อยู่นี้ท่านนั่งคอยปฏิบัติคอยถอ ด, ถ อ, ดถอนกิเลสอยู่เรื่อยๆแต่พอถอนจนหมดแล้วไม่มีถอนแล้วจะไปถอนอะไรเหมือนถอนหญ้าที่บ้านเนี่ยถอนมันออกไปเรื่อยๆหญ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ถอนถอนถอนจนไม่มีหญ้าจะโผล่แล้วจะไปหาย่าที่ไหนมาถอนอันนี้ก็เหมือนกัน พอกําจัดถอดถอนกิเลสหมดสิ้นไปจากใจแล้วกิบในพรหมจรรย์ก็ยุติลงไม่ต้องทําทานอีกต่อไปไม่ต้องรักษาศีลแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีศีลแต่ไม่ต้องรักษามีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่จะไม่ไปผิดศีลไม่ไปทําอะไรให้ผิดศีลจะอยู่ตามปกติไม่ต้องมาคอยระมัดระวังว่ามีศีลหรือไม่มีศีล เพราะจะไม่ทำผิดอยู่แล้วผู้ที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปทำความผิดผู้ที่มีความอยากเท่านั้นที่จะไปทำความผิดผู้ที่ไม่มีความอยากอยู่เฉยๆก็มีความสุขเรื่องไรที่จะต้องไปเสี่ยงติดคุกติดตารางทำไมเป็นไปไม่ได้นั้นการปฏิบัติทานศีลสติสมาธิปัญญานี้ใกล้สิ้นสุดลง การปฏิบัตินี้มีไว้เพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นพอไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกเหมือนคนไข้ที่กินยาแล้วหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็หยุดกินยาได้กินแล้วไม่กินก็มีผลเท่ากันกินยาโรคมันก็หายไม่กินยาโรคมันก็หายกินไปทาไม น, นี่คือทำไมถึงมีการพูดว่าวุสิตังป ร, รมจรรย์อย่างกิจในพ ร, รมจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้วทีนี้ก็จะมีกิจอื่นที่ทำอันนี้เป็นกิจสมัครเล่นคือกิจตามความสมัครใจจะทำได้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็คือเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่นอันนี้แล้วแต่อัธยาศัย บางท่านก็ไม่ถนัดในการสั่งสอนท่านก็ไม่ค่อยสั่งค่อยสอนบางท่านท่านถนัดท่านก็สั่งสอนไปตามอัธยาศัยของท่านอย่างหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สาวนี่มีมีนิสัยไม่เหมือนกันหลวงปู่มั่นนี่สอนเก่งหลวงปู่สาวนี่สอนไม่เก่งสอนได้แบบให้เป็นให้ไปแบบไม้ทั้ง ทั้งทั้งท่อนแต่หลวงปู่มั่นนี่สอนแบบไม้ที่แกะสลักสวยงามไม่เหมือนกันหลวงปู่สาวก็จะสอนแบบเป็นไม้ทั้งท่อนก็ทานศีลภาวนาเนี่ยจบเอวังแต่ถ้าเป็นหลวงปู่มัน่นท่านจะอธิบายทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนแกะสลักแกะสลักไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แทนสำหรับหลงปู่สาวบอกมึงไปแกะ่สะลักเขาเองกูให้มาอันนี้นี่คือเรื่องของภาษาวกแต่ละองค์นี้จะมีความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไม่เหมือนกันบางองค์ก็สั่งสอนได้อย่างกว้างขวา ง, วางบางองค์ก็สอนไม่ได้สอนได้และเพียงแต่ แบบรวบรัดสรุปเอาผู้ที่ไปศึกษาจึงมีจํานวนมากน้อยต่างกันเพราะผู้ที่สอนได้ละเอียดก็จะทำให้ผู้ที่ เ, เข้าใจไม่เข้าใจยากเข้าใจได้ง่ายผู้ที่สอนแบบไม่ละเอียดนี้ทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ก็จะมีคนไปศึกษาน้อยไม่ใช่ว่าธรรมะของท่านไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นของจริงเป็นของจริง แต่มันไม่ละเอียดคนที่ยังไม่ฉลาดพอฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่มีความฉลาดพอฟังแล้วก็เข้าใจได้ถ้าเป็นพวกบัวเหนือน้านี้เพียงแต่พูดว่าศีลสมาธิปัญญาหรือพูดว่าอาริยรสัจ ส, สีนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างไร อย่างชายคนหนึ่งไปกราบพระพุทธเจ้าไปขอฟังเทศน์ฟังธรรมตอนที่พระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเอชายคนนั้นก็ยืนยันว่าได้โปรดเถอดเอาสั้นๆก็ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินะรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เพียงเท่านี้เขาก็เข้าใจเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ะ พอเขาตายไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้สร้างเจดีสร้างสถูปเอาเอากระดูกของชายคนนี้ไปใบปบรรจุไว้ในสถูปทั้งๆที่ไม่ได้เป็นพระแต่ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้อันนี้พระพุทธเจ้ารู้ใจของเขาว่าได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วธรรมเนียมในสมัยโบ ร, ราณเขาจะสร้างสถูปสร้างเจดีไว้เฉพาะ บุคคลสำคัญสาคัญดังนั้นรู้สึกจะมีอยู่สบุคคลคือหนึ่งพระมาหาจักรพรรดิสองพระพุทธเจ้าสาพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าและสี่พระอาหารหันต์จะมีที่เก็บอัฐิของท่านไว้เพราะอัฐิของท่านบางส่วนจะกลายเป็นพระาธาตุไปนี่คือเรื่องของพุทธศาสนาของพวกเราเกิดมาได้จาก ผู้ที่บาเพ็ญเป็นโพธิสัตว์มาก่อนคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เคยเป็นพระมาหาชานกมาก่อนเป็นพระไดมีมาก่อนเป็นพระเวชสันดอนมาก่อนนะสิบชาติสิบชาตินี้เป็นเพียงชาติตัวอย่างที่ท่านจำได้เท่านั้นเองแต่เป็นร้อยพันชาติกว่าท่านจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้ ผู้ที่จะบําเพ็ญเป็นโพธิสัตว์นี้ต้องบําเพ็ญหลายพันชาติด้วยกันกว่าที่จะมาตัดสัลุเป็นพระพุทธเจ้าได้พอตัดสัลุแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้อย่างมากมายก่ายกองอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ทําให้สัตว์โลกนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้เป็นจนํานวนมากมายไม่สามารถนับได้เพราะไม่มีการจดบันเทิงเอาไว้ แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเลยนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มาพบกันในชาตินี้เราก็ควรที่จะรีบตักตวงเอาผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาคือจ่ายเบี้ยรประกันให้เต็มร้อยอย่าแทงกัก๊กอย่าเสียดายอย่าเสียดายกระเป๋าอย่าเสียดายรองเท้าอย่าเสียดาย ระการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เอาไปอุทิศเอาไปทําบุญให้หมดแล้วเก็บเอาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมถ้าต้องการจะไปปฏิบัติธรรมก็เอาเงินที่ไปเที่ยวนี่ละไปปฏิบัติธรรมเอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋ารองเท้านี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มร้อยคือไม่บรรลุภายในเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี อย่างแน่นอนอแล้วนะการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปปักปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปันาราโสยธามณีโชติาระโสยธาสัพพิตโยวิวาจจานตุ สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารายอสุขีทีขาโยโกภวะพิวะธนศีลิปสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะจาก f a c e b o o สามร y อยเก้าสิบเอสองรอยี่สิบสี่วิทยุออนไลน์ยี่สบเอ็ดผู้รับฟังบนเขาสี่สิบแปดรวมหกร้อยแปดสิบสี่ท่านค่ะใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้นะครับนะมาสการพอาจารย์ค่ะจะถามเรื่อง การปฏิบัตินะคะเวลาที่นั่งสมาธิค่ะจําไม่ให้คําบริกรรมหลุดออกไปเลยค่ะจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ระยะหนึ่งที่คําบริกรรมของเราเหมือนหนักหรือว่าเหมือนหนักเกินไปหรือว่าเข้าไปในบริเวณ น, นั้นไม่ได้อะค่ะถึงจะยอมปล่อยพุโทโธไปแล้วให้มันแล้วก็ให้มันนิ่งค่ะแต่ว่า ในในบางครั้งอะค่ะที่นั่งสมาธิมันจะมันจะไม่เหมือนค่อยค่อเข้าเกียร์ค่ะบางครั้งมันมันอยู่มันกลายเป็นว่ามันเดินทางเข้าไปอยู่ในความสงบที่รู้สึกว่าน่าจะปล่อยได้แต่ว่าตอนนั้นมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่า หรือว่าเราควรจะพูดโธต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันควรจะปล่อยไหรือยังแบบนี้มันจะทําให้ไม่ต่อเนื่องหรือเราจะดูยังไงคะว่าก็ลองหยุดดู ด, ดูว่าจิตมันคิดหรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ก็ดูไปเฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าคิดก็ต้องพูดโธต่อค่ะคําคถามที่สองนะคะ <S <S <S เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยวางร่างกายกับความกลัวคะ่ะ คืออย่างเช่นเวลาที่เราจะรู้ได้ค่ะว่าเรากับร่างกายไม่ใช่ตัวเราตอนที่เรานั่งสมาธิและพอออกมาจากสมาธิพิจารณาดูว่าคนที่เคยนั่งสมาธิกับคนที่นั่งดูร่างกายเราที่อยู่ในกระจกมันคนละคนกันแต่ว่าจิตเราก็ยังไม่สามารถปล่อยวางความกลัวไปได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของ ที่พระอาจารย์เคยสอนว่าใจมันไม่ตายค่ะมันเป็นอมตะการที่ใจไม่ตายหรือเป็นอมตะตอนนี้มันเป็นแค่สัญญาของหนูค่ะถ้าเราจะดูได้ยังไงคะว่าใจมันเป็นอมตะอะค่ะอย่างถ้าจะจากข้อสันนิษฐานตอนนีใ้ใจไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปดูมันเป็นอมตะให้ดูร่างกายที่มันไม่เป็นอมตะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ก็ต้องดูว่ามันมาจากที่ไหนแล้วมันจะไปที่ไหนต่อถึงจะรู้ว่ามันกับเรานี่ไม่ได้เป็นอันเดียวกันมันมาจากพ่อจากแม่มันมาจากธาตุของพ่อของแม่มาผสมกันแล้วก็จะริญเติบโตด้วยธาตุของแม่ที่แม่หล่อเลี้ยงในท้องมันก็เป็นธาตุนั้นอาหาร อาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟลมก็เป็นลมไฟน้ำก็เป็นน้ำมันผสมปรุงแต่งกันทำให้เกิดนั่งกายนี้ขึ้นมาพอมันคลอดออกมามันก็เติมธาตุต่อออกมามันก็เติมลมเองหายใจเองดื่มน้ำเองเติมเติมธาตุดินเข้าไปเองกินน ม, ก, นนมกินกินนมกินกล้วยกินข้าวมันก็เอานมก็เอาธาตุก็ไป ไปเสริมไปขยายทำให้ร่างกายมันจะลริ่เติบโตขึ้นมาแล้วมันก็โตไปจนมันแก่มันเจ็บแล้วมันก็ตายพอมันตายมันก็แยกทานกันไปน้มก็ไปทางดินก็ไปทางลมก็ไปทางแล้วเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้ต้องให้พิจารณามันถึงจะมันถึงจะเห็นด้วยตักกะเห็นด้วยหรือว่า ถ้าคิดว่าเราเราเป็นร่างกายเราอยู่ในร่างกายก็ลองเอาแยกอวัยวาต่างๆออกมาทิละชิ่นนะถามผมนี่เป็นเราหรือเปล่าเวลากรนผมทิ้งไปเราหายไปกับผมหรือเ่าผมหายแต่เราไม่หายหยเวลาถอนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่าเวลาบรยจากเลือดไปเราหายไปกับเลือดหรือเปล่าจำนวนเราลดลงไปกับปริมาณเลือดที่เราหายไปหรือเปล่า มันไม่มีหมันเป็นเรื่องของร่างกายลนวนๆเราเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองร่างกายผู้คิดผู้รู้นี่เป็นเราผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่เป็นเราแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงไปหลงคิดเอาเองว่ามันเป็นเราพอมันเป็นเราเราก็ไปอยากให้มันอยู่กับเราไม่อยากให้มันจากเราไปแต่เราดูความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันเป็นดินน้ำลมไฟถ้าไปอยากให้มันเป็นเราอยู่กับเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันให้มันเป็นดินน้ำลมไฟไปให้มันเป็นเป็นแก่เจ็บตายไปอันนี้มันก็จะ ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยความกลัวได้ดับความกลัวได้พอเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเราแล้วก็จะไม่กลัวถ้ายอมไม่มันตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายถ้ายอมไม่มันเจ็บมันก็จะไม่กลัวเจ็บฉะนั้นต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายด้วยใจที่เป็นอุเบกขามันถึงจะปล่อยได้ถึงจะไม่ทุกข์ ถ้าใจไม่เป็นอุเบกขาใจไม่มีสมาธิปล่อยไม่ได้กิเลสตัณหามันไม่ยอมให้ปล่อยตัณหามันยังอยากให้หายอยากให้ไม่ตายอยมันก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจขึ้นมา อ, มอันนี้คือการปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบ น, นี้เข้าใจไหมค่ะ <c oughs> ต้องคอยดูว่าใจเรายึดกับร่างกายหรือเปล่าใจเรายังคิดว่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่า เราคิดว่ามันเป็นดินน้ำนมไฟมันไม่ใช่ตัวเราทำไมร่างกายคนอื่นทำไมเราไม่ไปทุกข์กับเขาอ่ะเพราะเราเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นเราใช่แต่ทำไมร่างกายนี้เราทุกข์อ่ะเพราะเราไปเห็นว่ามันเป็นเราเราก็ต้องสอนใจใหม่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราเป็นคนขับร่างกายนี้เหมือนขับรถเนี่ยคนขับรถกับรถยนนี้เป็นคนเดียวกั น, กนหรือเปล่า เวลารถพังคนขับพังไปด้วยเปล่าไม่พังคนขับก็ขับไปขับไม่ได้ก็เปลี่ยนรถใหม่ถ้ายัางจะขับรถอยู่ก็ไปเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยใจเป็นอมตะเนี่ยใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจึงมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเยนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็อย่างตอนนี้ค่ะคือ กปก็คือปกติจะจะกลัวหมามากค่ะแล้วก็ถ้ปล่อยมันกัดเองมันกัดก็เดินไปทองอนัตตาอนัตตาทไมคนอื่นไม่กัดมันจะมันจะมากัดเราคนเดียวอ่ะที่กลัวเพราะกลัวไม่อยากให้มันกัดก็ให้มันกัดก็แล้วกันจะได้หายกลัวหมดคำถามค่ะอ่าเนี่ยถ้ายังไม่อยากให้มันกัดอยู่มันก็จะกลัวอยู่นั่นแหละ แล้วที่กัดมันก็ไม่ได้เป็นเราเป็นเนื้อเป็นหนังมันเราเป็นเนื้อเป็นหนังนี่ไหนเราเป็นผมนี่ไหนะผมก็ไม่ใช่เราขนก็ไม่ใช่เราเล็บก็ไม่ใช่เรานั่นหนังกับเนื้อมันจะเป็นเราได้ยังไงมันก็กัดเนื้อกัดหนังไปนั้นเองเราผู้รู้ก็รู้ไปถูกกัดมันก็ไปหาหมอใส่ยาฉีดยาเดี๋ยวมันก็หายไม่หายก็ตายมันก็มีเท่านั้นเอ ให้คิดไปให้มันสุดมันก็ไปสุดที่ความตายอย่างนั้นถ้าไม่กลัวตายก็จบไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกเกี่ยวกับร่างกายกต่อไปที่มันวิตกกันเพราะกลัวเจ็บกลัวตายนี่ก็จะยังรู้จักข้อสอบหรื อ, อยังว่าเป็นอะไรต้องไปทําข้อสอบนี้ให้ได้ะ นี่ไปทําการบ้านก่อนไปคิดไว้ก่อนไปสอนใจไว้ก่อนร่างกายไม่ใช่ไปเล่าหมามันจะกัดให้มันกัดเลยให้มันกัดเลยให้มันกัดเลยแล้วเดี๋ยวเดินไปหามาดูดูมันจะกัดไหมดูดูที่เราเราจะกลัวไหมมันกัดไม่มันกัดไม่ม่นไม่ร้ายแรงเท่ากับเรากลัวเรากัดตัวเราเองนอะเรากัดตัวเราเองด้วยความกลัวเนี่ยมันทรมานกว่าให้หมากัดหมากัดเนื้อกัดที่เนื้อท่านเองแต่ความกลัวเนี่ยมันกัดที่ใจเรา งั้นต้องคลายหมาที่มากัดที่ใจเราคือความกลัวด้วยการปล่อยให้มันไปกัดที่ร่างกายด้วยการปล่อยร่างกายพอปล่อยร่างกายแล้วไอหมาที่มากัดใจเราก็หายไปพอใจไหมจะพยายามทําให้ได้ค่ะลองดูอต่อไปค่ะคําถามจากคุณบีบีมีสองคำถามค่ะคําถามที่หนึ่ง หากทำร้ายตัวเองวงเล็บหัวโม่งกำแพงไม่ตายแต่มีผลต่อเนื่องคือเจ็บป่วยแล้วมาเสียชีวิตหลังจากหนึ่งปีต่อมาถือว่าฆ่าตัวตายหรือไม่คะอยู่ที่เจตนาถ้ามีความตั้งใจจะฆ่ า, ามันก็ก็บาปถ้าเป็นอุบัติเหตุเดินผ้าออกลอมหัวทิ่มไปก็ไม่บาป คำถามที่สองและในกรณีนี้หากต้องการเคลมประกันค่ารักษาพยาบาลได้ก็ต้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุถือว่าผิดศีลไหมค ะ, ะถ้าพูดไม่ตรงความเป็นจริงก็ผิดศีลนี่เลยอยู่ที่ใครจะไปรู้ใจเราใจเรามีเจตนาหรือไม่มีเจตนามันอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่เป็นอุบัติเหตุเราเป็นคนรู้ถ้าเราไม่พูดตามความเป็นจริงเราก็โกหกแล้วก็ทำบาป เพราะความโลภอยากได้เงินเขาถ้าไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่ต้องโกหกถ้าไม่ได้ไม่ต้องการเงินเขาก็ไม่ต้องโกหกก็พูดไปตามความเป็นจริงอยากจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายว่าจะทำยังไงแต่คนที่เป็นคนคนมีศีลจะไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วค่ะคํ า, าถามจากคุณแม็ก กราบนมัส ก, การครับพระอาจารย์กระผมมีเรื่องทุกข์ใจอยากจะปรึกษาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากระผมได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพ น, นัน<ม>ทำให้สูญเงินไปจำนวนหนึ่ง<ม>ซึ่งมันก็เยอะมากสำหรับกระผมตอน ตอนนี้คิดได้แล้วว่าต้องเลิกเล่นและก็ตัดใจจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วแต่สิ่งที่มันยังคงทุกอยู่ในใจคือความเสียดายความอยากได้เงินคืนยิ่งทุกวันนี้ต้องทํางานใช้หนี้ที่ไปกู้ยืมเขามามันยิ่งทําให้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปทําให้ตัวเองและครอบครัวต้องลําบากในตอนนี้พระอาจารย์พอจะมีวิธีทําให้กระผมเลิกคิดถึงความผิดพลาดที่ได้ทําไปเลิกเสียดายเงินที่เสียไป เป็นไปได้ผมอยากจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพนันให้หมดสิ้นพอจะมีวิธีไหมครับก็คิดว่าถ้าไม่จ่ายเขาก็อาจจะต้องไปติดคุกก็แล้วกันเสียเงินกับติดคุกยังไงจะดีกว่ากันหรือคิดว่าเป็นเงินที่ถูกเขาขโมยไปแล้วก็แล้วกันหรือเป็นเงินที่เราไปขโมยเข้ามาเราต้องไปขืนหนี้เขาไปคิดอย่างใดอย่างหนึง่งให้มันสบายใจ อย่าไปคิดว่าเป็นของเราคิดว่าเราไปขโมยเงินเขามาทีนี้เราก็ต้องไปคืนคืนเข้าไปเราไปกู้เงินเขามาถึงเวลาเราก็ต้องคืนเงินเขาไปก็คืนไปคำถามจากคุณกุ้งนมัส ก, การพระกราบเรียนพระอาจารย์สุชาติค่ะในการละเว้นไม่ล่วงละเมิดสินแปดบ้างสินห้าบ้างหรือให้เป็นไปแบบอัตโนมัติบางวันทาได้สินเจ็ด บางวันศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างกระทำเช่นนี้เราได้บุญล้อไปตามข้อศีลที่ปฏิบัติได้ตามวันที่ทำดีหรือไม่คะก็ได้ตามค่ะตามตามที่เราทํานเหมือนทำข้อสอบอะทำได้แปดข้อมันก็ได้ร้อยทำได้เจ็ดข้อก็ไม่เต็มร้อยคะแนนมันก็สะสมไปคำถามจะคุณจูนจูนน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ อาการเกิดปิติหรือถ้าเดินจงกรมแล้วรู้สึกมีความสุขไม่ค่อยปวดเมื่อยทนกับความเจ็บได้ถือว่าขาดสติไหมเจ้าคะไม่ดอกจะไปขาดได้ไงแสดงว่ามีสติจิตมันสงบมันเลยมีปิติมันเลยมีพลังมีกำลังคำถามจากคุณพันเพน พระอาจารย์สอนว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปต้องเกิดมาใช้กรรมด้วยการฆ่าตัวตาย500อชาติถ้าชาตินี้บุคคล น, นั้นหมั่นศึกษาธรรมะและทําบุญปฏิบัติธรรมจะช่วยลดกรรมดังกล่าวลงได้หรือไม่เจ้าคะถ้าทําบุญไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆบุญก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆบุญก็จะมีอทธิพลต่อจิตใจมากกว่าบาป บาปที่ทําไว้ถึงแม้จะได้ทําไว้แล้วก็ยังไม่สามารถาแสดงผลได้เนื่องจากบุญที่ทําไว้มีกําลังมากกว่าบุญก็จะแสดงผลไปจนถ้าเป็นบุญระดับนิพพานก็ไม่ต้องผ่าให้กลับมาเกิดมารับใช้กรรมอีกต่อไปเช่นองค์ุลิมาเนี้ย่าคน999คนแต่พอมาสร้างบุญกับพระพุทธเจ้าจนบนรรลุปเป็นพระอาหารหันต ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาใช้กรรมที่ได้ทำไว้ต่อไปหมดแล้วเหรอมีอีกค่ะคำถามจากคุณจุมมะเวลาเป็นนักศึกษาพอต้องอ่านหนังสือเรียนมากๆ ก, ก็ทำให้เครียดฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีเวลาคิดธรรมะเพราะต้องใช้ความคิดไปในทางโลกจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรครับก็หยุดเรียน ไ, ไปบวชนั <laughs> ่น เอาทางใดทางหนึ่งเอาทางโลกหรือทางธรรมถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ไปบวชแล้วก็เรียนทางธรรมไปถ้าจะเอาสองทางมันก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องแบ่งกันคนละครึง่งเอาธรรมะหน่อยเอาทางโลกหน่อยแล้วแต่มีเวลาอันไหนก็ให้มันไปจับปลาสองมือเดียวมันก็โดดไปตั้งสองตัวจับปลา สองตัวด้วยมือสองมือมันไม่มั่นคงเหมือนจับปลาตัวเดียวด้วยสองมือจับปลาตัวเดียวด้วยสองมือดีกว่าจะเอาอะไรก็เอามันสักอย่างหนึ่งไปเลยอยากจะเอาทางธรรมก็เอาทางธรรมไปเลยเอาทางโลกก็เอาทางโลกไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รว่าแต่ว่าอันไหนมันดีกว่ากันเอาทางโลกไปก่อนก็ได้ให้มันรู้ พอมันได้ทุกอย่างที่อยากได้แล้วมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราจะได้รู้ว่าไม่ใช่ทางจะได้เปลี่ยนมเอาทางธรรมแต่ถ้าจะเอาทั้งสองอย่างเดี๋ยวมันไม่ได้สักอย่างเรียนก็เรียนไม่จบบวชก็บวชไม่ได้เลยกลายเป็นคนไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยสักอย่างทั้งโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้เห็นถ้ายังเรียนทั้งถ้ายังอยากจะเรียนทางโลกก็เรียนไปอย่างเดียวทางธรรมเอาไว้ก่อน เรียนนรรี่มันจบแล้วรู้สิว่าจบแล้วมันเป็นยังไงมันทําแก้โจทย์ของเราได้ปล่าถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมาลองทางทำดูนี่ก็ทําเอายังทําอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนเราก็เรียนแล้วก็เรียนจบปริญญาตอนเรียนปริญญาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะแต่ตำราที่ต้องเรียนพอเรียนจบอ่ะมันยังไม่ตอบโจทย์เลยความทุกข์ยังไม่หายก็เลยต้องมาหาหนังสือธรรมะอ่าน อ่าแล้วลองปฏิบัติเอออันนี้มันตอบโจทย์ได้เนี่ยว่ะก็เลยเอาทางนี้ก็เลยมาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมอ่าทางใดทางหนึ่งดีกว่าที่จะมาเอาสองทางแล้วไม่ได้สักอย่างคำถามจากคุณเชอเบลกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเราอยู่ต่างประเทศและจะกลับเมืองไทยมีคนฝากเราซื้อของมาขายโดยจ่ายค่าหิ้วให้และของนั้นไม่เสียภาษีจะบาปจะบาปไหมคะเพราะหนูแต่ตอนไี้อยาเลอแล้วไม่อยากตอบคำถามตอนนี้แล้วไม่ไม่ใช่ธุรกิจคุณไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันบาปไม่บาปคนก็รู้อยู่ในใจนั่นแหละไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นที่เรามาถามเลยขี้เกียจตอบและปัญหาเหล่านี้ เอาปัญหาธรรมเลยค่ะปัญหาปฏิบัติธรรมนะค่ะคำถามจากคุณนัทนานค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าเรื่องบางอย่างที่เราพบมาจนรู้สึกเบื่อเมื่อระวางเรื่องนั้นไปแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมอีกหรือไม่คะก็าวางด้วยปัญญาหรือวางด้วยอะไรถ้าวางด้วยความเบื่อมันเดี๋ยวมันก็กลับมาได้พ่อเบื่อมันพ่อมันหายเบื่อมันอยากขึ้นมามันก็กลับมาใหม่ถ้าวางด้วยปัญญาว่ามัน เป็นอ น, นิจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่กลับมาคำถามจากคุณนัทวุฒิค่ะขออนุญาตเดียนถามพระอาจารย์ครับตัวเราเองนั้นมีความกลัวฝังอยู่ในจิตเช่นกลัวความสูงกลัวความเร็วทำให้เราเจริญกรรมฐานลำบากมากๆ ม, ม, มันเป็นเพราะจิตเราไปจดจำเรื่องแบบนั้นจน จนแม่นมาจากอดีตหรือเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นเองแบบนี้ทำให้เรามีสัญญาในเรื่องแบบนี้ไปเองหรือเปล่าแล้วจะแก้ยังไงครับเพราะเรื่องพวกนี้รบกวนการนั่งกรรมฐานมากครับหรือแม้กระทั่งดำเนินชีวิตในปัจจุบันครับก็สติเรามีกำลังน้อยมันก็เลยปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวเหล่านี้เราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป หรือให้มันสวดมนต์ไปยาวๆนานๆสวดจะทั้งมันลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วทุกครั้งที่มันจะไปคิดก็ใช้พุทโธหรือใช้การสวดมนต์หยุดมันไปต่อไปมันก็ไม่มา คำถามจะกคุณสัิธรถ้าเราเลี้ยงดูใครสักคนหวังดีสอนทุกอย่างแต่พอเขาโตขึ้นเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราสอนเช่นพาเขาเข้าวัดทำบุญเขาจะว่าให้เราและไม่พอใจเพราะแม่เขาคอยสอนอีกแบบตามใจลูกทุกอย่างไปในทางอบายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราควรทำดีสั่งสอนต่อไปหรือจะปล่อยให้เดินทางผิดต่อไปเจ้าคะ เ, าเขาฟังเราหรือเปล่ปาแล้วก็ดูด้ แล้วก็ฟังเราแล้วก็สอนเขาได้เขาไม่ฟังเราไปสอนทำไมเทน้าใส่แก้วถ้าเขาหงายแก้วก็เทไปเลถ้าเทแล้วเขาคา้อความแก้วอยู่เทไปทำไมก็มีแค่ตอนนั้นใเห็นมหมดแล้วเลยมีอีกหนึ่งคำถามค่ะ คุณมงคลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมเคยกลัวตายตอนป่วยเพราะคิดว่าถ้าเราตายใครจะดูแม่และน้องผมควรทําอย่างไรเพราะทุกวันเพราะทุกวันพระผมก็ไปวัดเพราะมีความรู้สึกมีความสุขขอพระอาจารย์แนะนําครับเราจะทํำยังไงถ้าเราดูแลไม่ได้ก็ดูแลไม่ได้ก็มีเท่านั้นส่วนใครจะไปดูแลเขาหรือไม่ก็เรื่องของของเขาไปมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปทําอะไรได้ ไปกังวลวิตกมันก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เมื่อทำอะไรไม่ได้จะให้ทำยังไงก็ <c oughs> ไม่ทำอะไรเ <c oughs> มื่อทาอะไร <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องไม่ทาอะไร <c oughs> <cassette 67> ใช่ไหมไปวิตกไปกังวลมันก็ไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆก็ต้องถือว่า ท, ทำยังไงก็ตายเหมือนกันและ เราอยู่เลี้ยงดูยังไงเดี๋ยวเขาก็ตายเหมือนกันเราตายไปไม่มีใครเลี้ยงดูเขาเขาก็ตายเหมือนกันคือทุกอย่างมันก็ไปจบที่ความตายด้วยกันทางนั้นจะช้าหรือจะเร็วทนั้นเองจะง่ายหรือจะยากจะสุขหรือจะทุกข์ทนั้นเองก็มีทางนี้แต่ผลลัพธ์ก็คือเหมือนกันทุกคนก็ตายด้วยกันเหมือนกันทุกคนถ้าทาได้ก็ทาไปถ้าทาไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ทำ จะให้ทำยังไงหม ด, ดแล้วเลยไม่มีก็ไม่เกยังไม่มีเลยไม่มีก็เอาแค่นี้ก yani ่อนก็แล้วกันนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ